50 languages. คุณศัพท์หนึ่งอมผู้หญิงชราหนึ่งคนนผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน โอร์ปร์มนอนเป็นผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคนโอร์ออร์บมุด ล, ลเป็นรถใหม่หนึ่งคันโอร์ฟูดูมอเตอร์วันดีรถความเร็วสูงหนึ่งคันโอร์ดุริทัมอนะมอเตอร์วันดี รถนั่งสบายหนึ่งคันโวเรวสดุยานมอเตอร์วัด น, โโวนดีชุดเบรสสีฟ้าหนึ่งชุดโวเรนีละนิราวดปุปปชุดเรสสีแดงหนึ่งชุดโวเรสิกัุนิราวดุปเป้ชุดเรสสีเขียวหนึ่งชุดวเรปัจจัยนีราวุปป กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบโอรุกระเ ป, ป, ป๋าถือสีน้าตาลหนึ่งใบโอรุกระเ ป, ป๋าถือสีขาวหนึ่งใบโอรุเบลลี่หนึ่งใคนใจดีหลายคนนั่ลละมะริดร์ คนสุภาพหลายคนมาริโอเดย์โคดกุ้มมนิดร์กลคนน่าสนใจหลายคนสวอรสยาโมนะ์นมนิดร์เกลเด็กน่ารักเนสมนะัมโน์กุรันเดยกลเด็กดือ้อคูรุมโมนะ์กูรันเกล เด็กดีนันนนดัตுยุลล์ க ูรันดายกั